เนติปรกรณ์นะขอทบทวนนิดนึงว่าเนติปรกรณ์หมายคำว่านําไปแปลหมายถึงอะไรนําไปสู่มรรคผลนิพพานนะเป็นคำภีที่ผู้ปฏิบัติตามนําผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งประกอบไปด้วยอะไรหาระหาระคือวิธีกําจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจเพียในพระพุทธ พระพุทธพจน์อ น, นะแก่ความเข้าใจผิดในคําสอนของพระพุทธเจ้าหาระมีอยู่16บหาระหาระที่หนึ่งว่าด้วยเทศนาหาระก็คือหลักการแสดงคำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมธรรมที่พระองค์แสดงก็คืออริยสัจทีนี้การประกาศอริยสัจของพระองค์ก็ประกาศหนึ่งโดยอะไรอสาทะสองอาทีนวะสา นิสรณะสี่ผลห้าอุบายหกอนัตนีนะพระองค์ก็แสดงอส า, าธะเป็นต้นเนี่ยแกพุทธเวไนหรือแก่เวไนยศาสทั้งหลายมันผู้ที่ฟังแบบสังเขปบรรลุเรียกว่าอกคติตัญยูผู้ที่ฟังปานกลางบรรลุเรียกว่าวิปัญจิตัญยูผู้ที่ฟังพิสดารแล้วบรรลุเรียกว่าในยบุคคล มันพระองค์แสดงอส า, าธาอาทีนวะนิสันะก็คือการประกาศอริยสัจทั้งโดยย่อโดยปานกลางและโดยพิสดารก็มีผู้ที่บรรลุธรรมมันผู้ที่บรรลุธรรมเพราะฟังเทศนาหาระนี่แหละเรียกว่าโยคีบุคคลทีนี้พอมาหาระที่สองเรียกว่าวิจัยหาระก็เป็นการเอาอะไรมาวิจัยเอาบทน่ะนะปุจฉาวิสัชนาเกี่ยวกับเรื่องการถามคาตอบ ถามว่าถามอะไรตอบอะไรก็ถามตอบเกี่ยวกับอัฏฐาทาทีนวะนั่นแหละเอาอัฏฐาทารีนวะนิสรณะเหตุผลอุบายอนัตเนี่ยมามาปุฉามาวิสัชนาก็มาวิจัยดูว่าอะไรเป็นอะไรมองให้เห็นเป็นคําถามคาตอบเป็นต้นแล้วก็วิจัยตามคําความเชื่อมกันสัมพันธ์กันตามบทหน้าบทหลังอันนั้นแหละเรียกว่าวิจัยะาหาระก็เอามาวิจัยว่า แต่ละบทเป็นอริยสัจได้อย่างไรเป็นอริยสัจไหนอันนั้นแหละเป็นลักษณะของวิจัยหาระทีนี้ผู้ที่วิจัยเนี่ยนะบางทีวิจัยไปวิจัยมาก็เลยเข้าใจผิดเลยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยวางยุติหาระตามมาว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นนะนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดใน ใ, ใ, ในการที่กล่าวอ้างว่าเออนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาอะไรเป็นเครื่องวัด หาอะไรเป็นข้อยุติเกี่ยวกับคำสอนว่านี่เป็นคำของพระพุทธเจ้านะจะรับมาจากที่ไหนก็ตามเครื่องวัดก็ลงในสูตรคืออริยสัจแสดงในวินยัยกิเลสวินยัยคือกำจัดราคะโทสะโมหะแล้วก็ใส่ไว้ในธรรมดาคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแนวนี้เมื่อเป็นไปตามแนวนี้แล้ว ก็มาดูว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติตามคาสอนก็ต้องมีข้อยุติเหมือนกันเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยบางทีก็เกิดความเข้าใจผิดเช่นเกี่ยวกับเรื่องจริตเนี่ยนะการให้กรรมฐานก็ต้องให้ตรงตามจริตเพราะผู้ที่โทสะจริตแล้วเจริญอสุภะไม่ดีก็ขี้โกรธอยู่แล้วไปเจอสิ่งที่น่ารังเกียจก็ไปกันใหญ่เลยนะผู้ที่ เป็นราค่าจริตถ้าไปเจริญเมตตาก็แย่เพราะฉะนั้นก็กรรมฐานก็ต้องตามจริตอันนี้เป็นข้อยุติเกี่ยวกับกรรมฐานแล้วก็ข้อยุติเกี่ยวกับการเจริญพรหมวิหารว่าผลที่เกิดขึ้นควรจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ข้อยุติเกี่ยวกับพรหมวิหาราข้อยุติเกี่ยวกับวิปัสสนาว่าถ้าเจริญวิปัสสนาไปแล้วผลจะเป็นอย่างไรข้อยุติเกี่ยวกับฌานเนี่ยนะเกี่ยวกับฌาน ป่าฌานไหนเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมความดำรงอยู่ความวิเศษขึ้นแล้ว น, น, นี่เพทาพภาคยะเป็นไปเพื่อชำระ ก, กิเลสหาข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องฌานว่าถ้าปฏิบัติไปตามฌานแล้วนี้เสื่อมนะนี้ดำรงอยู่นี้จเจริญขึ้นมันข้อยุติทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนับว่าสําคัญมากต่อต่อการศึกษาและการปฏิบัติ ผู้ที่ศึกษาอย่างมากมายกว้างขวางเนี่ยนะอ่านพระไตรปิฎกมาเยอะๆบางทีนี่ก็เอามาใช้อะไรไม่ได้เลยมีไหมมีทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ไม่ไม่ใส่ลงในสูตรคืออริยสัจไม่พยายามคิดถึงอริยสัจเลยไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่พระองค์แสดงนี่เพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะมองเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ไม่เป็นนี่แหละเรียกว่าเป็นความสับสนในเรื่อง ปริยัติว่าศึกษาไปศึกษามาก็หลงประเด็นทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติละ่นะก็เป็นเครื่องตรวจสอบว่ายังปฏิบัติอยู่กับร่องกับรอยไหมเจริญตามคำสอนไหมอันนี้แหละเรียกว่ายุติหาระาวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดทั้งโดยปริยัติและโดยปฏิบัติเนี่ยนะว่าถ้าปฏิบัติมาแล้วผลต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น เนี่ยมาขึ้นหน้า36เลยนะประทฐานนะหราประทฐานนะหรานั้นประทฐานเนี่ยแปลว่าเหตุใกล้นะเป็นอีกคําหนึ่งของคําว่าปัจจัยเราเคยได้ยินนะว่าลักษณะที่จตุกะลักษณะธรรมสีประการมีลักษณะเป็นต้นใช่ไหมประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งลักษณะสองระสระสปัจจุปฐานสประทฐาน ปัจานเนี่ยเรียกว่าเหตุใกล้ก็ได้เรียกว่าเหตุใกล้รกรหรือปั จ, จัยคำว่าเหตุใกล้หรือปั จ, จัยอันนี้เนี่ยบางอย่างเป็นสัมปยุตตปัจจัยนะบางอย่างเป็ น, นอัญญมัญญะปั จ, จัยเช่นว่ามหาภูตรูปสามมีอะไรเป็นประทานเออมหาภูตรูปมีอะไรเป็นปัจานมีมหาภูตรูปสามเป็นปทจสฐานอันนี้แสดงว่าโดยอัญญมัญญปั จ, จัย อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยนะบางอย่างามีมีวัตถุกับมีอารมณ์เป็นประทัยฐานเช่นวิญญาณมีอะไรเป็นประทัยฐานเหตุใกล้หมายถึงนามรูปคือวัตถุกับอารมณ์และสัมปยุต ธ, ธรรมเป็นเหตุใกล้ของวิญญาณเพราะฉะนั้นขอบเขตคำว่าประทัยฐานหมายทั้งวัตถุปุเรชาตะหมายถึงอารมณะด้วยหมายถึงสัมปยุตตะด้วย อันนั้นคำว่าประทัดฐานเนี่ยกว้างคําว่าประทัดฐานเนี่ยกว้างพอๆกับคําว่าปัจจัยเนี่ยนะเสร็จแล้วอย่างอื่นก็มีอีกนะเช่นบางทีก็หมายถึงอนันตระปัจจัยก็มีประทัดฐานเช่นกุศลมีอะไรเป็นปัจจัยมีโยนิโสมนัิการถ้าโยนิโสมนสิการคือวัชนะก็เป็นอนันตระปัจจัยใช่ไหมกุศลเนี่ยมีโดยอนันตระปัจจัยมันคําว่าประทัดฐานนี้เป็นคําที่กว้าง พอเรามาศึกษาเรื่องประทัดฐานเนี่ยสิ่งที่ควรคิดเนี่ยมาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มว่าประทัดฐานของวัตตะกับประทัดฐานของวิวตะอันนี้คือเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไปเที่ยวสาวทุกเรื่องไปสาวไปสาวมาเลยยุ่งไปหมดเล ย, เ, ยเพราะฉะนั้นเอาสองกลุ่มใหญ่ๆพอสาวหาประทัดฐานเกี่ยวกับวัตตะแล้ววิวตะว่าวัตตะนี้มีประทัดฐานไปอย่างไรวิวตะนี้ประทัดฐานเป็นอย่างไร ก็แปลว่าปัจจัยของวัตตะเป็นอย่างไรปัจจัยของวิวัตตะเป็นอย่างไรท่นานประธาฐานะหาระนิว่าย่อๆมีอยู่สองกลุ่มหาปัจจัยของวัตตะกับหาปัจจัยของวิวัตตะนี้ก็มาดูปัจจัยของวัตตะก่อนใช่ไหมว่าในข้อ22กล่าวว่าบรรดาหาระเหล่านั้นประธฐานะหาระเป็นไงประธฐานะนี่ประธาฐานอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอาสันนการ อ่า น, นะอาสันนการก็คือเหตุใกล้นั่นแหละในคถาว่าธรรมมังเทเสติชิโนที่แปลว่าการพิจารณาเหตุใกล้ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นต้นนั้นเนะชื่อว่าปทัฏฐานะคือทุกคําที่เราเจอในพุทธพจน์นะเราต้องสาวว่าคำนี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้หรือเนื้อหาตัวนี้เช่นพูดถึงมหาพูดมหาพูดมีอะไรเป็นเหตุใกล้นะต้องหัดคิดแบบนี้บ่อยๆๆก็คือพยายามสาวไปหาปัจจัย ได้รับอารมณ์อะไรก็สาวไปหาปัจจัยเช่นเห็นสีเนี่ยสาวไปหาปัจจัยเลยใช่ไหมมีอะไรเป็นปัจจัยมหาพูดมีมหาพูดเป็นปัจจัยจักรวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยเอาเยอะเยอะนะเพราะฉะนั้นก็พยายามคิดเรื่องปัจจัยเยอะๆหน่อยอลักษณะนี้แหละที่เรียกว่าสาวไปหาปทัฐธฐานอาสันนาการเหตุใกล้ถามว่าปทัฐธฐานเหตุใกล้เนี่ยแสดงอะไร น, นะมาขึ้นวัดวัดตะกถาก่อนเป็นลำดับแรกว่าแสดงเนื้อความเหล่านี้คืออวิชามีลักษณะไม่แทงตลอดสภาพที่แท้จริงของธรรมะทั้งปวงวิปลาส4เป็นประทับฐานคือเหตุใกล้ของอวิชานั้นอวิชานี่เป็นอย่างไรอวิชาคือความไม่รู้ไม่เห็นไม่ตรัสรู้อริยสัจ น, นะเต็มสูตรของเข้าเลยใช่ไห ไม่รู้ไม่เห็นไม่พิจารณาไม่แทงตลอดไม่บรรลุอริยสัจเป็นเป็นลักษณะของอวิชชาทุกขสัตว์นี้ถ้าจะแทงตลอดลักษณะแทงตลอดว่าปีรนะสันตาปะนะวิปริณามะอะไรสังคต ะ, คตะก็มีคนบางคนนะเข้าบอกว่านี่นะเขาได้ยินอริยสัจมาเยอะแล้วทําไมเขาไม่บรรลุอริยสัจเขาก็รู้นะเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกขสัตว์ ปัญหาเป็นเหตุใกล้ของเป็นสมุทัยสัตว์ถ้าพวกนี้ไม่เป็นไปเป็นนิโรธสัตว์สัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นมรรคสัตว์ทำไมเข้าไม่บรรลุอริยสัตว์เราทั้งหลายเนี่ยบอกว่าก็รู้อริยสัตว์เราจะวิชาได้อย่างไรคือรู้ด้วยสัญญาเป็นส่วนใหญ่หรือรู้ด้วยสัญญาที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าเออนี้ทุกนะนี้สมุทัย รู้ด้วยวิญญาณก็เฉพาะวิญญาณที่สัมปะยุทธ์กับสัญญาเท่านั้นถ้าวิญญาณขอบความสามารถของวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณที่เป็นญาณวิปปะยุตรู้ถึงไตรลักษณ์นะถึงรู้ถึงไตรลักษณ์นนะ ว, วิญญาณเนี่ยนะเส้นมหากุสัญญาณวิปปะยุตรเนี่ยรู้ไตรลักษณ์นะเพราะอนุภาพความคล่องแคล่วตามปัญญาที่เคยเจริญไว้มาก เคยเหมือนกับว่าสวดมนต์ครั้งแรกๆตั้งใจสวดใช่ไหมตอนหลังๆเนี่ยคิดเรื่องอื่นไปด้วยแล้วสวดแดงยังสวดได้เลยใช่ไหมได้ถ้าถ้าชํานาญไปจริงๆนี่ยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนาัตตาก็เหมือนกันถ้าพิจารณาไว้จนชํานาญแม้แต่กุศลญาณวิปยุทธก็รู้รู้ไตรลักษณ์ได้แล้วก็ต่อไปก็รู้ด้วยอํานาจของปัญญาเด่นนะเพราปัญญานี่รู้ถึงมรรคผล เราทั้งหลายที่เรียกว่ามีอวิชชาก็เพราะว่าเราไม่รู้อัฏฐะที่แท้จริงของทุกทุกข์สัตย์นั้นความเป็นจริงของเขาคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาอาสุภะใช่ไหมแล้วเรารู้อย่างนี้เนี่ยเป็นอัธยาศัยเลยหรือหรือว่าวันหนึ่งนึกสักทีหนึง่งถ้าอย่างนี้เนี่ยรู้ด้วยสัญญาเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ด้วยปัญญาถ้ารู้ด้วยปัญญาก็รู้แบบ มันเหมือนกับว่าคนอ่านหนังสือเป็นเนี่ยนะเห็นตัวหนังสือที่ไหนก็อ่านออกเลยใช่ไหมคล่องเลยทีนี้ถ้าคนที่รู้อริยศาสต ร, ร์จริงเนี่ยนะเห็นเห็นใครเดินมาโอ้ชาติชรามรณาสโสกะปริเทวทุกขโทมานัตอุปายาตเดินมาแล้วขันห้าเดินมาแล้วขันห้าไปแล้วหนอปีละนัตโถสันตาปนัตโถวิปริณามัโถคิดอย่างนี้ไหมถ้าไม่คิดเลยนแแลั่นแหละสมบูรณ์แบบเลยอวิชานะไม่ใช่อะไรหรอกนั่นเอะ เพราะฉะนั้นมาดูเหตุใกล้ของอวิชชาจึงจะรู้ชัดเพราะว่าวิปลาสเป็นเหตุใกล้ของอวิชชาทุกขสัตว์ความจริงเนี่ยอสุภะหนึ่งนะสองอนิจจังสทุกขังสอาาีอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอาสุภะเนี่ยความจริงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมที่เราเรียกว่าคนสัตว์สังขารทั้งหลายก็คือขันธ์ทาประชุมกันรูปประขันตรงๆแล้วควรจะอสุภะ เวทนาขันเป็นทุกสัญญ า, าสัญญาขันสังขารขันอนัตตาวิญญาณขันอ น, นิจจังเวลาเวลามนาสิการถึงใครเนี่ยคิดอย่างนั้นไมไม่คิดนั่นแหละเรียกว่าวิปลาสเออนะถ้าได้คุยกับคนนี้น่าจะมีความสุขใช่ไมอันนี้สุขสัญญากับสุ ข, ขาววิปลาสเกิดก่อนเอเอก็แต่งตัวซะ ง, งามเลยนะอะไรสุภาวิปลาส เอ่เมื่อไรเมื่อไรก็เหมือนเดิมหมดเลยเนจาวิปลาสแม่เราสั่งได้เนี่ยนะเขาเชื่อฟังเราหมดแล้วอันนั้นอะไรอัตตาวิปลาสนึกว่าตัวเองมีอำนาจในสิ่งนั้นอย่างอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็นึกว่ามีอำนาจอย่างแท้จริงเพราะนั้นพื้นฐานเราวิปลาส เ, เราถ้าคิดอย่างนี้เราอาจจะนึกไม่ออกนะเรานึกถึงสมมตินนะ่ลูกเราสิาวิปลาสหรือว่ า, ห ร, วาหรือว่าเห็นทุกข์ขัตในนั้นเลย หรือนึกถึงอะไรก็ได้ในวัตถุที่น่าปรารถนาที่สุดเนี่ยนะมันวัตถุนั้นนั้นเนี่ยจะตามมาด้วยวิปราสดแม้แต่จะน้อมไปคิดในความไม่เที่ยงที่ในวัตถุที่เรียกว่ารูปยังไม่กล้าเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเป็นไปตามที่เราคิดเดี๋ยวจะว่าเราแช่งนะแม้แต่ไม่เที่ยงยังไม่กล้าคิดเลยใช่ไหมรถยนต์ของเราเราไม่กล้าคิดหรอกว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะไม่เที่ยงอย่างใจคิดอีกยุ่งเลยว่าเราหวงแหนทนุถนอมขนาดนั้นนะว่ารวมๆแล้วขนาดนั้น อย่างร่างกายของเราเราเขาไม่ค่อยอยากกล้าคิดนะว่าคือโรคอะ่ะเดี๋ยวมันป่วยเข้าจริงๆแล้วจะลำบากอีก <c oughs> ก็พยายามกล่อมตัวเองอะนะอย่างที่เขาเรียกว่านี่นะสามีพันยาคู่หนึ่งสามีเขาศึกษาธรรมะพันยาเขาไม่ค่อยชอบธรรมะสามีเขาก็ขึ้นรถปั๊บก็จะไปค้าขายด้วยกันสามีเขาพูดอะไรรู้ไหมพูดเรื่องมอรณะนี่เงียบๆหน่อยจะไปค้าไปขายทาไมมาพูดเรื่องนี้เขา ปริญาเขาก็เลยสอนให้เลยนะสามีก็เงียบสนิทแล้วก็ไปค้าขายต่อไปนี่ก็ทําให้เห็นว่าแม้กระทั่งความจริงก็ยังพูดไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมยังไม่ค่อยจะกลา้าคิดนักเดี๋ยวก็พันจึงวิ ป, ปลาสอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับว่าโอ้ยชีวิตอยู่อีกนอนอันนี้อะไรวิ ป, ปลาสเนจจาวิ ป, ปลาสชีวิตก็ไม่เสียหายอะไรนี่ก็สบายดีอันนี้ก็สุขาวิ ป, ปลาส เหมือนเดิมหมดเลยนิจาวิปปลาดแม่นี่ยังแข็งแรงนะยังดีอยู่อะไรก็ยังเหมือนเดิมหมดเหมือนกำลังมีอํานาจในตัวเองเยอกเกินเนี่ยนะ น, นั่นเป็นอาตราวิปปัลลาดพันพื้นฐานนิวิปปลาดเพราะสัตว์ที่คิดว่าชีวิตเนี่ยมันคือกองทุกขที่เห็นเห็นกันอยู่นี่ก็ไม่ค่อยยอมรับง่ายง่ยใช่ไหมนี่แหละคือกองทุกที่เห็นเห็นกันอยู่ ก็ทุกขนาดไหนอย่าง ก, กว่าจะอาบน้ําเตรียมตัวกว่าจะมาถึงห้องฟังธรรมเนี่ยนะถามว่าสบายไหมแล้วสนุกไหมเตื่นเช้ามาล้างหนะ้าแปรงฟันกว่าจะมาขับรถรถติดเป็นต้นเนี่ยนะมีความสุขนักหรืออย่างไรเนี่ยนะถ้าทบทวนเช็คตรวจสอบแล้วภายในร่างกายแหละมันมีความเบียดเบียนบีบคั้นขนาดนั้นแต่เราก็ยังวิปลาสอีกว่ามันมันดีอันนี้เรียกว่าวิปลาส อันนี้แหละเป็นเหตุใกล้ของอวิชชาเพราะเราคิดโดยสุขงามเที่ยงอะไรงามเที่ยงสุขยั่งยืนนนก็งามเที่ยงสุข ย, ยนนั่งยืนหรือเรามีอำนาจอย่างอย่างแท้จริงบอกก็ยกมือขึ้นสิยกวางวางเออมเก่งนะก็มีอำนาจจะว่าอนัตตาได้ยังไงเราก็ยังยกได้นะนิ่งพูดอ่าพูดล้เออมัน อ, อนัตตายัางไงอะเนี่ยนะ ก็คำ <K l ark> ว่าอนัตตาเนี่ยมันแปลว่าอนัตตานี่ไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยแต่หมายถึงว่าอนัตตาบางอย่างเป็นปริญญาธรรมใช่ไหมอนัตตาบางอย่างเป็นปหาตปธรรมบางอย่างเป็นสัจจิกามตัปธรรมบางอย่างเป็นภาเวตัปธรรมพูด เ, เขาพูดนิ่งนิ่งบางคนเนี่ยพูดมันพูดไม่ได้มันนิ่งอย่างเดียวอะถ้าอามาเพลิกินแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยนะอามาพาดไปแล้วปากเบี้ยวแล้วนะพูดสิพูดสิไม่ยอมพูด ทีนี้ให้คนกำลังเมาบอกแกนิ่งน่งหน่อยนะนิ่งไหมก็ไม่นิ่งเอ๊ะอำนาจมันไม่ได้มีตลอดเหมือนกันนะคือถ้ามันได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยหรือเหมือนมีอานาจที่แท้จริงแต่จริงๆไม่มีอำนาจเพราะนามกับรูปมันเป็นปัจจัยแก่กันเนี่ยนะถ้าอย่างนามเนี่ยเป็นไปดีะนะนามเป็นไปดีก็พลอยดูเหมือนรูปจะเป็นไปดีด้วยถ้ารูปเป็นไปดีก็ทาให้นามเนี่ย เป็นไปดีท่านนามวิบัติเหรแล้วรูปละ่ะคุณทําหน้ายิ้มยิ้มหน่อยได้ไหมกําลังเครียดหนักใจจะแย่อยู่แล้วนะบอกให้มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเลยโอ้ใครจะไปทําได้อย่างไงนะแต่งรูปยังไงก็แต่งไม่ได้เพราะจิตนี้วิบัติมากๆแล้วอย่างนีน้เพราะฉะนั้นพวกนามกับรูปมันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้ายังสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดีก็เหมือนกับมีอํานาจแต่ศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยไม่เคยวิเคราะห์วิจัยก็เลยสําคัญว่าตัวเองมีอํานาจในสิ่งนั้นที่แท้จริงไงนะ เพราะเพราะความสำคัญผิดด้วยอำนาจวิปลาสสี่ประการนี่แหละเป็นเหตุใกล้ของอวิชชาก็เมื่อใดที่เคยเห็นเด็กน้อย เ, ยเห็นปั๊บเนี่ยาต์ทั้งหลายปกติเขาจะชื่นชมเลยใช่ไหมโอ้น่ารักนะน่ารักนะเห็นปั๊บก็โอ้น่ารักจังแต่เราคิดนะกว่าเด็กคนนี้นะจะไปอายุ80ดสิบเนี่ยนะลองคิดดูดิให้มันย่อๆมาสัก5้านาทีเนี่ยลองคิดสักห้านาทีนะกว่าเด็กคนนี้เนี่ย ไปถึง80ปีเนี่ยถามว่าเขาจะรับภาระขนาดไหนเนี่ยนะถามว่าน่ารักจริงหรือเปล่าเนี่ยนะจะต้องมารับภาระเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยหลายหลายิปีเนี่ยนะถ้าคิดอย่างนี้กับทุกคนทุกคนแล้วไปเห็นคนอายุมากมากขึ้นนะแล้วถอยหลังภาระที่เขาเคยรับมาเนี่ยนะมันขนาดไหนเพราะถ้าคิดย้อนอกลับไปกลับมาอย่างนี้บ่อยบ่อยบ่อยบ่อ ย, อยเนี่ยทุกขลักษณะจักปรากฏ ก็เออปีละนัดโถจริงๆนะเบียดเบียนจริงๆสันตาปะนะเร่าร้อนจริงๆวิปริณามะนะไม่มีอะไรคงทนโอ้และชีวิตเนี่ยนะกว่าจะดารงอยู่ได้นี่ใช้ปัจจัยเท่าไหร่นะใช้ปัจจัยเท่าไหร่นะผู้ ก, การว่าอาหารประมาณ30สิตันไหมอาจจะมากกว่ามัง้งอาหาร30ตันแล้วผ้ากี่ชุดโอเยอะนะถ้าคิดนะปัจจัยแวดล้อมเนี่ยกว่าจะได้อาหาร30สิตันเนี่ยทำนากี่แปลง หมดหยาดเงือไปเท่าไหรนะกว่าจะเจริญได้ขนาดนั้นเนี่ยมันก็แต่ว่าไอความที่วิปลาสก็เลยอวิชาก็เลยปกปิดครอบงาํามันอวิชานั้นไม่แทงตลอดสภาวะที่แท้จริงทวนอีกครั้งนะสภาวะที่แท้จริงของทุกคือปีละนะสันตาปะนะสังคตะวิปรินามะแต่เรามานาสิการอารมณ์ใดเนี่ยสี่ประการนี่แทบไม่อยู่ในใจเลยนะอันนี้ประการของอวิชา ถ้าตันหาเป็นต้นนะสมมติถ้เาเราเห็นอะไรแล้วเราชอบนะเคยคิดนั่นนี่อายุหนะนะนำมาซึ่งตานะโหนี่สีสวยเอานำมาซึ่งตาเสียงเพราะนํามาซึ่งหูอาหารอร่อยนํามาซึ่งลิ้นนะอากาศที่ดีอุณหภูมิที่ดีไม่ปวดไม่เมื่อยสุขภาพดีลุกเลินเหินคล่องแคล่วโพลภาพที่ดีนํามาซึ่งกายนื้อคิดทั่วไปเป็นนํามาซึ่งใจเนะี่ย เราคิดไม่ว่ามันจะโยนมาไปให้ผลเป็นอย่างนี้ขึ้นเรียกว่าอายุหานโถเนี่ยนะตัวนี้เป็นนิทานของทุกขนิทานก็คือต้นเหตุของทุกใช่ไหมนิตต้นเหตุของทุกขตัวนี้แหละเป็นตัวปริโภทนี่นะทำให้เราเพลดิดเพลินในวัตตะเป็นตัวปริโพน์เป็นตัวประกอบไว้กับกองทุกขท่านั้นชาวโลกทั่ ว, วไปนะผู้ที่มีความเพลดิดเพลินคือผู้ที่มีความสุขใช่ไหม ผู้ที่มีความเพลิดเพลินไปตลอดชมนกชมไม้โอ้ยคนนี้น่าริษยาจริงเลยทำไมมีความสุขมากที่ไหนได้ทางธรรมะถือว่านั่นแหละกำลังสร้างทุกข์เป็นอย่างมากเลยนะทีนี้เราถ้าเรามีปัญญาเราก็ร ะ, ะลึกถึงอัถะของสมุทัยาศาสตร์ว่าตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่นำเกิดในภบใหม่นะแล้วถ้าสิ่งที่ถ้าทุกข์กับสมุทัยไม่เป็นไปก็เป็นนิโรธจากักะม เราก็ไม่ค่อยนึกย้อนไปหาอันนั้นผลอาการที่เราไม่พยายามนึกสังคตะแล้วเลยไปหาอาสังคตะอันนี้ก็เป็นอัดอย่างหนึ่งของอวิชชาที่มันปกปิดเอาไว้ให้ไม่ให้นึกเลยไปหาแล้วก็รับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเรานึกถึงมรคอะไรบ้างสักมรคหนึ่งไหมยากนะเห็นดอกไม้แล้วนึกถึงมรคแปดข้อไหนไหมก็ทำไม่ค่อยนึกเลยก็อไม่เป็ไร้อยู่อีกนาน ก็เพราะว่าอาวิชามันมีกําลังเหลือเกินเคยฟังคําวิเคราะห์อวิชานะอวิชานี่ทําให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้อะไรไม่ควรได้ทุจริตสามนี่ไม่ควรทําโดยประการตั้งปวงใช่ไหมแต่อวิชานี่มันทําให้มันสั่งให้ทําทุจริตอย่างเดียวสุจริตสามนี่น่าทํามากใช่ไหมยอย่างคนดีมีเมตตาเป็นคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดไพเราะเป็นต้นดีไหมดีแต่ว่าคนทั่วไปชอบทําอย่างนี้ไหม ไม่เคยทำอันนี้แหละเป็นผลของอวิชชาแหะที่เป็นเหตุใกล้เนี่ยนะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยให้ทําสิ่งที่ไม่ควรทําไม่ให้ทําสิ่งที่ควรทําปกปิดอัฏฐะของอริยสัจไม่ให้เห็นโดยความเป็นกองของขันเพราะนี่พวกนี้ขันก็ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกไหมอวิชชาไม่เห็นหรอกนนมันให้ทื่อๆอยู่แค่เฉพาะหน้าเนี่แหละแล้วก็ไม่ให้เห็นความสืบต่อของอริยตนะว่าถ้าตามองเห็นแล้วนะจากครูทวารวิถีเป็นต้นเนี่ยไปอย่างไร มันก็ไม่ยอมให้นึกนะไม่ให้เห็นความว่างเปล่าของธาตุไม่ได้เห็นความเป็นจริงของสัจจะไม่ให้เห็นความเป็นใหญ่ของอินทรีย์เพราะฉะนั้นจะไม่ละลึกถึงขันธาตุอายตนะอินทรีย์สัจจะแม้กระทั่งปฏิจจสมบัติที่เป็นตายในวัตะอันนี้แหละเป็นลักษณะของอวิชชาที่ปกปิดเอาไว้และก็ก็เลยชื่นชมเพลิดเพลินในในวัะเนี่ยนะ วิปปราตเป็นตัวเหตุใกล้ของอวิชชาจริงๆเนี่ยนะถ้าตัณหาเกิดในสิ่งใดที่ไม่ทำกรรมมีไหมไม่มีเพราะทำกรรมกรรมมีผลไหมมีถ้าจะตัดกรรมตัดที่ไหนตัดที่ตัณหาเพราะตัณหานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้กรรมให้ผลมันถ้าความรู้กรรมมศกตาไม่ดีสมุทยัทยสัตว์จักมองไม่เห็นทีนี้ถ้ามีความรู้ในกรรมมกตา ที่เห็นความเป็นไปของวตตะอย่างตลอดสายจิตมันน้อมเพื่อจะออกเลย น, นะนะไอ้กิจจิตที่คิดจะออกจากสังขารธรรมทั้งปวงอ่ะ น, นะไอ้ตัวที่ออกจากสังขารธรรมเนี่ยแปลเป็นบาลีว่านิสรณะเนี่ยออกนะออกคือนิสรณะไอ้สภาพที่ออกอันนั้นแหละเป็นสภาพของพระนิพพานใช่ไหมทีนี้ถ้ามีจิตน้อมเพื่อจะออกอย่างนี้แล้ว่ะจึงขวนขวายในการออกอันนั้นเป็นเป็นมร ก, ก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้ากรรมสศกตาไม่ดีก็ออกจากสิ่งที่น่าเพลิดเพลินมันดียังไงทัานพุทธพจน์จึงเตือนพระปุณณะว่าดูก่อนปุณณะเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกจึงเกิดนะปุณณะเนี่ยนะถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกจึงเกิดนะแต่ทุกของพระพุทธเจ้ากับทุกของเราคิดคนละอย่างกันพระพุทธเจ้าท่านคิดบอกเพราะความเพลิดเพลินเกิดวัตตทุกข์ก็เกิดนะเนี่ยนะถ้าความเพลิดเพลินดับวัตตทุกข์ก็ดับนะ คิดยังไงนะจึงจะดับความเพลิดเพลินได้ น, นั่นแหละเรียกว่าเจริญอาทีนวะก็คือการเจริญวิปัสนาพิจารณาทุกขสัพท์นั่นเองสรุปว่าวิปลาสเป็นเหตุใกล้หรือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของอวิชชาถ้าเป็นที่อื่นนะอวิชชาเกิดเพราะอะไรเกิดอาสะวะเกิดอวิชชาจึงเกิดกามาสะวะภาสะวะทิฏฐสะวะ อวิชาสวะก็คือวิปลาสวิปลาสกับอาสระไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันโดยอัตไม่ต่างกันโดยความหมายนี่มาขึ้นลักษณะของตัณหาบ้างว่าตัณหามีลักษณะการเหนี่ยวอารมมายึดไว้อัดโชสานะนี่บางแห่งก็บอกว่าแปลว่ากลืนกินเบ็ดเสร็จเลยลักษณะของตัณหานะรวบรัดเบ็ดเสร็จเลยนะเห็นบางอย่างปั๊บของเรานี่ะนะ มันเกินกินขนาดนั้นนะมันรวบรัดภาษาบาลีเรียกว่าอัชโชสารนะว่ากันลักษณะของตันหาเนี่ยนะท่านบอกว่าอนาทีนวะอัดส า, ดสาไม่ใช่อัดเคยแปลว่าไม่เห็นโทษนะนะง่ายๆดิไม่เคยตามเห็นอาทีนวะของสิ่งนั้นเลยเห็นแต่อัดสาทะอย่างเดียวอันนี้แหละเป็นลักษณะของตันหาไม่ยอมเห็นอาทีนวะของสิ่งนั้นเลยนะีย ดีอย่างเดียวนะนะใครเห็นไหมท่าลูกเรานะดีอย่างเดียวไม่มีเสียดีหมดก็ดีหมดนี่ก็คิดอีริงนะแต่ว่าถ้าเป็นของเราแล้วนะจะไม่เสียหายนะพยายามปกป้องอะไรไว้ลักษณะนั้นและลักษณะของตันหาไม่มองเห็นว่ามีโทษมีพิษมีภัยอะไรไม่มีปยรูปสาตรูปเนี่ยนะสภาพที่น่ารักสภาพที่น่ายินดีเป็นเหตุใกล้ของตันหาอันนั้นนะนะ ก็คือลักษณะของสมุทัยใช่ไหมสมุทัยมันโคจรไปในปิยรูปสารูปนั้นตันหานั้นจึงมีสภาวะที่มีปิยรูปสารูปนั่นแหละเป็นเหตุใกล้สภาพที่น่าพอใจที่สุดนะเพราะแหล่งโคจรของตันหาก็คือที่ที่น่ารื่นรมทั้งหลายที่ที่น่าพอใจที่สุดที่พระองค์ถามว่าตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนอะไรเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตันหาก็จะเกิด ที่สิ่งนั้นนั่นแหละปันตัาหานั้นจึงมีลักษณะยึดอารมณ์เพราะมันยึดในสิ่งที่น่าปรารถนาใช่ไหมพันหาที่ไปชอบในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาจึงไม่เรียกการมราคานุสัยไม่เรียกภวะราคานุสัยถ้าไปชอบในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนานแทบจะไม่เรียกว่าสมุทัยศักด์ด้วยซ้ไปถ้ามันเกิดโดยปรารจสิ่งที่ไม่น่าปรารถนานนะ